เรารู้จักนกกระเรียนใช่ไหมนกกรเรียนนี่ที่จังหวัดเชียงคูณนี่ปูกเขียวนี่เคยเป็นแหล่งสุดท้ายของนกกรเรียนซึ่งตอนนี้สูญพันธุ์ไปแล้วเขากําลังฟื้นฟูเอาสายพันธุ์จากต่างประเทศเข้ามาเพื่อที่จะให้มันสืบสายพันธุ์กันต่อไปนกกรเรียนนี่เนี่ยเวลามันนอนเนี่ยมันจะยืนขาเดียวคราวนี้ก็เลยอยากจะถาม คำถามง่ายๆว่าทำไมนกกระเรียนนีย่ยืนขาเดียวเวลาหลับใครเคยเจอคำถามนี้หรือเปล่าแต่อันนี้เป็นคาถามที่ไม่ได้เป็นคําถามแบบสารคดีนะแต่เป็นคาถามแบบรับสมองประลองเชาใครนึกออกบ้างอาจจะตอบยากสักหน่อยแต่เราลองเปลี่ยนคําถามใหม่แทนที่จะถามว่านกกระเรียนทำไม ยืนขาเดียวเวลาหลับเราเปลี่ยนคําถามเป็นว่าเราลองเปลี่ยนมุมมองซะหน่อยมาเป็นว่าทําไมนกกระเรียนหดขาเดียวเวลาหลับเหมือนกันไหมนกกระเรียนยืนขาเดียวกับนกกระเรียนหดขาเดียวทําไมนกกระเรียนหดขาเดียวเวลาหลับอยากจะรู้คาตอบไหมเพราะถ้ามันหดสองขามันก็ล้มสิถ้ามันหดสองขามันก็ล้มใช่ไหม ก็ยืนขาเดียวหรือผู้ง่ายก็ไม่ต้องหดขาเดียวทําไมนกกระเรียนยืนขาเดียวนี่ถ้าตอบนี่มันตอบยากแต่พอเราเปลี่ยนคาถามเชื้อหมายว่าทำไมนกกระเรียนมันหดขาเดียวเนี่ยมันก็ตอบได้ง่ายขึ้นว่าถ้ามันหดสองขามก็ล้มลงคําถามเนี่ยมันสําคัญนะปัญหาหรือโจทย์หลายอย่างหลายข้อ ที่เราเจอในชีวิตเนี่ยมันแก้ไม่ได้เพราะว่าเราถามไม่ถูกเราถามไม่ถูกเช่นเวลาเจอคนมาตาหนิเจอคนมาต่อว่าเราก็ทุกข์เพราะเราหัวแต่คิดในใจว่าทำไมเขาถึงว่าฉันทำไมเขาถึงว่าฉันถือดีอยังไงถึงมาว่าฉัน ถ้าคิดแบบนี้นี่ทุกนะแต่ลองเปลี่ยนคําถามเชิงหมายว่าทําไมเราถึงไปอ่อนไหวถึงไปทุกข์กับลมปากของเขาเคยถามยิมนะ่งมั้ยทําไมเราถึงไปหวั่นไหวกับลมปากของเขาคําด่าของเขาเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากลมปากหรอกมันมาแล้วก็ไปแต่ทําไมเราถึงต้องหวั่นวันไหวกับลมปากของเขา ลองถามอย่างนี้กับตัวเองบ้างบางทีเราจะพบว่าโอ้เราไม่นั่งโง่ไปหวันไหวกับลมปากของเขาเลยหลายคนเนี่ยเป็นทุกข์ว่าทำไมเพื่อนไม่เข้าใจฉันทำไมพ่อแม่ไม่เข้าใจฉันทำไมแฟนไม่เข้าใจฉันหลายคนเนี่ยมกจากทุกข์เมื่อคิดอย่างนี้ แ้วเราลองเปลี่ยนคำถามเสียใหม่เป็นว่าแล้วเราอ่ะเข้าใจเขาหรือยังเราเข้าใจเขาบ้างหรือเปล่าอย่าถามว่าทำไมพ่อแม่ไม่เข้าใจฉันแต่เราถามตัวเราเองว่าแล้วเราเข้าใจพ่อแม่หรือเปล่าอย่าถามว่าทำไมแฟนไม่เข้าใจฉันลองถามกลับซสียใหม่ว่าแล้วเราเข้าใจแฟนไหมเราเข้าใจเพื่อนไหมพอเราถามแบบงี้เราจะเข้าใจเออ พอๆอกันเลยนะในขณะที่เราเรียกร้องให้แฟนให้เพื่อนให้พ่อแม่เข้าใจเราเราก็ไม่ได้พยายามที่จะเข้าใจเขาเท่าไหร่ความทุกข์ของคนเราเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเราไปเรียกร้องใครต่อใครมากแต่เราไม่เคยมองอีกมุมหนึ่งเลยว่าแล้วเราเรียกร้องตัวเองหรือพยายามเข้าใจเขาบ้างหรือเปล่าเวลาทำอะไรขึ้นมา เรามักจะถามว่าทําแล้วฉันจะได้อะไรเมื่ อ, อไรก็ตามที่เราถามอย่างนี้เนี่ยเราจะทุกข์เราจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวและเราก็จะไม่มีความสุขเพราะทําแล้วก็จะถามานั่นแหละหรือคิดอยู่นั่นแหละว่าทําแล้วฉันได้อะไรแต่เราลองเปลี่ยนคําถามซะมายว่าเออทาแล้วนี่ส่วนรวมจะได้อะไรบ้างทําแล้วสังคมจะได้อะไรบ้าง เราลองถานอย่างนี้ดูบ้างถ้าเราถามอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่น่ารักกันคนที่คิดถึงผู้อื่นอยู่เสมอสังคมไทยเวลานี้เนี่ยมันเป็นสังคมที่น่าอยู่น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเอาแต่ถามว่าทมแล้วฉันจะได้อะไรฉันจะได้คะแนนไหมฉันจะได้เงินฉันจะได้ชื่อเสียงหรือเปล่าแต่เราไม่เคยได้ถามว่าเออทำแล้วนี่โลมจะดีขึ้นไหม หมออะไรจะดีขึ้นหรือเปล่าหรือเพื่อนเราจะดีขึ้นไหมยอยากให้เราลองถามอย่างนี้ดูบ้างหรือเวลาเกิดความพลัดพลาสูญเสียเงินหายเงินหายโทรศัพท์มือถือหายเจ็บป่วยอกหกักหลายคนจะนึกขึ้นมาในใจเลยว่าทำไมต้องเป็นชั้นเคยไหม เคยคิดแบบนี้บ้างไหมทำไมต้องเป็นชั้นถ้าคิดแบบนี้นี่แย่นะเราจะรู้สึกแย่ลงไปเราจะรู้สึกว่าโอ้ฉันที่เป็นคนมีเคลาะหเหลือเกินแต่ลองเปลี่ยนคำถามสมใหยว่าทำไมจะเป็นชั้นไม่ได้เคยนึกแบบนี้บ้างไหมทำไมจะเป็นชั้นไม่ได้ก็คนอื่นเขาก็เจอเหมือนกันเขาก็เจอความพัาดพราดสูญเสียเจอความผิดหวังเจอคนปฏิเสธรักเหมือนกัน เจ็บป่วยเหมือนกันทำไมจะเป็นชั้นไม่ได้ฉันเป็นเทวดาวิเศษมาจากไหนหรือถึงจะเจอแบบนี้ไม่ได้แ้วถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนคาถามสมัยนี้ชีวิตเราจะเบาชีวิตเราจะทุกข์น้อยลงปัญหาของคนเวลานี้ก็คือว่าเราถามกันไม่เป็นเราไม่ได้ตั้งคำถาม ไม่เป็นเวลาครูสอนเท่านั้นนะแต่เวลาเจอปัญหาในชีวิตมีอะไรมากระทบมีอะไรมากระแทกเนี่ยเร า, ก, ามมเก็ตั้งคำถามไม่เป็นแล้วพอตั้งคาถามไม่เป็นแล้วมันก็ตอบผิดเวลาเจอเพื่อนหน้าตาไม่สบายหรือว่ า, เร า, เ, ราเราทักเขาแล้วเขาไม่ทักตอบเนี่ยเราจะทุกข์ทันทีเลยถ้าเรานึกขึ้นมาในใจว่า เก่งมาจากไหนถือดีมาอย่างไหนทักแล้วไม่ตอบเราจะทุกข์เลยนะทุกข์เพราะความโกรธทุกข์เพราะความไม่พอใจทําไมทักแล้วไม่ตอบเก่งมาจากไหนถือดีอย่างไรหรือว่าไม่พอใจฉันยังไงทําไมถึงทักแล้วไม่ตอบแต่เราลองเปลี่ยนคาถามสมัยว่าเออเขามีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเขาถึงมี สติกริยาหรือมีอาการอย่างนั้นเคยถามแบบนี้บ้างไหมเวลาทักเพื่อแล้วเพื่อนไม่ตอบหรือเพื่อนทำท่าทีไม่รับไม่รู้ไม่ชี้ด้วยแทนที่จะถามว่าทำไมทักแล้วไม่ตอบหรือว่าทำไมเขาไม่พอใจเลยรฉนันเราลองถามสมัยว่าเขามีเรื่องทุกข์ร้อนใจหรือเปล่าเา้าเขาถึงแสดงอาการอย่างนี้ถ้าเราถามอย่างนี้นะเราจะเข้าไปหาเขา เราคุยกับเขาแล้วเราก็จะพบความจริงว่าเขากาลังมีความทุกข์เพราะว่าพ่อแม่ไม่สบายก็ จ, จะมีความทุกข์เพราะว่าอกหักหรือกาลังไม่สบายใจพระของหายเขาไม่ใช่ว่าเขาเหม็นหน้าเราไม่พอใจเรามันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยแต่ที่เขาไม่ทักเราก็เพราะว่าเขามีเรื่องทุกข์ร้อนอยู่ในใจถ้าเราไป ไปตั้งคำถามว่าถือดีอยังไงถึงไม่มาพูดคุยกับฉันถึงไม่ทักฉันเนี่ยเราก็จะเกลียดเขาเราก็จะไม่พอใจเขาแล้วเราก็จะไปซ้ําเติมเขาตัวเราเองก็จะทุกข์ด้วยแต่ถ้าเราถามซึ่งใหม่ว่าเขามีเรื่องอะไรไม่ไม่สบายใจมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอย่างไรเราจะเข้าใจเขาแล้วเราอาจจะเห็นใจเขาแล้วเราอาจจะ รู้ว่าจะช่วยอะไรเขาได้อย่างไรบ้างเนี่ยการตั้งคำถามเนี่ยมันสำคัญมากถ้าเราตั้งคำถามผิดชีวิตเราก็ทุกข์แต่ถ้าเราตั้งคำถามถูกชีวิตเราก็สบายพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อครั้งยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยท่านก็มีโอกาสที่จะได้เป็นพระราชามหากษัตริย์ และท่านก็มีเขาเรียกว่าดวงของท่านเนี่ยชะตาของท่านเนี่ยสามารถจะเป็นจกักรพรรดิได้แต่พระองค์เนี่ยได้เปลี่ยนมาละทิ้งโอกาสที่จะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิและมาเป็นศาสตาของโลกเพราะจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยก็คือเมื่อได้ออกไปเจอคนแก่คนเจ็บคนตาย พระองค์จะถามขึ้นมาเลยว่าทำอย่างไรเราถึงจะพ้นทุกข์ได้ทำอย่างไรมนุษย์เนี่ยถึงจะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายได้แต่ถ้าพระองค์ถามอีกอย่างหนึ่งว่าทางไงเราถึงจะมีอำนาจไปทั่วโลกได้ถ้าพระองค์ถามอย่างนี้นะพระองค์ก็จะเลือกเป็นจกักรพรรดิแต่พระองค์ไม่ได้ถามอย่างนี้ แต่ถามในสิ่งซึ่งคนไม่ค่อยได้ตั้งคาถามเท่าไหร่คนธรรมดาเองคนแก่คนเจ็บคนปตายก็เรื่องธรรมดาแต่พระองค์เห็นแล้วฉุกคิดขึ้นมาแล้วเกิดคําถามขึ้นมาว่าทําไงเราถึงจะพ้นจากความทุกข์อย่างนี้ได้ในบทสมบัติธรรมวิชัยตลอดสวดเต็มนะจะมีคําถามหนึ่งซึ่งอาตมาเรียกเป็นคำถามเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก เป็นคำถามเดียวที่เปลี่ยนโลกได้ก็คือทำอย่างไรเราถึงจะทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งิ้นนี้ได้ทำชไหนเราจึงจะทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งิ้นนี้ได้นี่คือคำถามที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าเป็นคำถามเดียวและคำถามนี้แหละเปลี่ยนโลกเพราะว่าทำให้พระองค์ตัดสินใจทิ้งราชบัลลังก์มาเป็นนักบวชและจนกระทั่งได้คนพบตัดสรธรรมแล้วทำให้เกิดพุทธศาสนาขึ้นมา เป็นศาสนาแห่งสันติเป็นศาสนาแห่งอิสรภาพในการที่เราได้มีพุทธศาสนาก็เพราะว่าคำถามนี้แหละเป็นคำถามง่ายๆแต่ว่ามันเปลี่ยนโลกได้สังคมไทยนี้จะดีขึ้นมากนะถ้าคนเนี่ยไม่ถามว่าประเทศจะให้อะไรกับฉันประเทศจะให้อะไรกับฉัน แต่ถามเส้อหมายว่าฉันจะให้อะไรกับประเทศชาติได้บ้างซึ่งอันนี้ก็เป็นคำถามเดียวกับว่าทาแล้วฉันจะได้อะไรถ้าเราถามว่าทำแล้วฉันจะได้อะไรนี้ก็ไม่ต่างจากการถามว่าประเทศชาติจะให้อะไรกับฉันบ้างเราอย่าถามอย่างนี้แต่ถามใหม่ว่าแล้วฉันจะให้อะไรกับประเทศชาติได้บ้างคราวนี้เนี่ยมาพูดให้ใกล้ตัวเข้ามนหน่อยนะหรือว่ามาพูดให้มัน ถูกคิดึ้นหน่อยเวลานี้เนี่ยเราเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่ถามในใจว่าทำอย่างไรฉันจึงจะรวยทำอย่างไรฉันถึงจะรวยเราลองเปลี่ยนคาถามซึ่งหมายว่าทำอย่างไรฉันถึงจะมีความสุขรวยกับสุขนี่ต่างกันนะเดี๋ยวนี้เราถามกันคิดกันว่าทำอะไรฉันจะรวยจบไปแล้ว ทำางฉันก็มีเงินเดือนสองหมื่นสามหมื่นคนไทยคิดแบบนี้กันทั้งประเทศนะเพราะฉะนั้นเครื่องรางของขังจากหลวงพ่อคูณหรือสติกเกอร์ที่บอกว่าบ้านนี้อยู่แล้วรวยถึงขายดีเห็นไหมตามร้า น, นจะเขียนจะมีคล้ายๆเป็นวัตถุมงคลบอกว่าบ้านนี้อยู่แล้วรวยทำไมไม่ค่อยมี คนซื้อเครื่องรางของของลังวัตถุมงคลที่บอกว่าบ้านนี่อยู่แล้วมีความสุขรวยแล้วเนี่ยไม่ทุกเลยเนี่ยมีหรือเปล่ารวยแล้วเนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยแหละมีหรือเปล่ามีไะคนที่รวยแล้วไม่เจ็บไม่ป่วยอ่ะรวยแล้วนี่เป็นหลักประกันว่าจะไม่อกหักได้ั้ยรวยแล้วนี่จะเป็นเป็นหลักประกันว่าไม่ตายเนี่ยได้ั้ยคนรวยแต่อกหักมีเยอะเลยดูตัวอย่างดาราก็ได้ ชื่อฝรั่งฝรั่งเยอะแยะไปเนี่ยมีเงินเยอะแต่ว่าผิดหวังในชีวิตนี่มีเยอะนะใช่ไหมอกหกักหรือว่าผิดหวังในชีวิตหรืออย่างล่าสุดนี้ก็ก็ดีเจโจ้จกนะักกันไหดีเจโจ้ใครไม่รู้จักบ้างดีเ จ, จเป็นคนที่ขยันทํางานมากนะรับงานเยอะแยะไปหมดเลยแล้วแกรวยมากเลยมีเงินหลายสิบล้าน เพราะแกเป็นคนเก็บหอมลอมลิบด้วยสามารถสร้างบ้านนี้ราคาเป็นสิบล้านได้เสร็จแล้วได้ใช้ไหมฮะไม่ได้ใชเนะเกิดอะไรขึ้นตายซะก่อนเป็นมะเร็งทำงานหนักเพราะว่าตั้งเปาว่าจะจะมีเงินเยอะๆแล้วก็เชื่อว่าชีวิตจะสบายในวันหน้า ซึ่งคิดแบบนี้ก็ไม่ผิดนะแต่ว่ามันก็ลืมไปข้อหนึ่งว่าคนเราความเจ็บความป่วยความตายมันจะมาเมื่อไหร่เราไม่รู้และถ้าเราไม่รับมือมันตั้งแต่แรกเนี่ยพอมันมาแล้วเราก็ตั้งตัวไม่ทันสุดท้ายเงินสมบัติที่สะสมมาก็ใช้ได้น้อยมาก ตั้งใจว่าจะแต่งงานแล้วจะไปอยู่เอาบ้านนี่แหละไปเลือนหอท้ายก็ไม่ได้ใช้อีกคนหนึ่งซึ่งเพิ่งตายไปเมื่อเร็วๆนี้ก็มีเงินเยอะเหมือนกันพิธีกรรายการขอนคนๆดรวรธาหรือดออรอภิวัตจบเป็นดรมาแล้วก็ตั้งเป้าหมายแกถามตัวเองอ่ะจะเลือกเงินหรือชีวิต เงินกับชีวิตนี่มันมันบางครั้งมันก็ไม่ได้แยกกันแต่บางครั้งนี่มันต้องเลือกจะเลือกเงินหรือชีวิตบางครั้งเราต้องเลือกเพราะอย่างเช่นเวลาเราถูกโจรปล้นเนี่ยโจรบอกเอาเงินมาไม่งั้นตายในสภาวะาเช่นนี้เนี่ยเราต้องเลือกแล้วว่าจะเอาเงินหรือชีวิตเจอแบบนี้จะเอาอะไรถ้าถูกโจรเอามีจีเนี่ยแต่ว่าเอาเงินส่งเงินมาไม่งั้นตาย นี่เราต้องเลือแล้วว่าเจเอาเงินหรือชีวิตเจ้าอะไรเอาชีวิตใช่ไหแต่คนจำนวนไม่น้อยนะต่อสู้ขัดขืนเพราะอะไรเพราะเรื่องเงินแล้วก็ตายถูกตัวมันยิงตัวมันแทงตายเวลาเราตอบเราตอบได้ว่าว่าจ้อาชีวิตนะแต่เวลาในมอในความเป็นจริงเนี่ยขัดขืนต่อสู้เพราะว่าลึกๆก็เสียายเงินคนเราจานวนไม่น้อยเนี่ยนะ ไม่ใช่เฉพาะเวลาถูกจี้หรอกแต่เวลาเวลาในชีวิตปกตินี่ก็มักจะเลืกเงินไว้ก่อนบอกว่าถ้ามีเงินแล้วเดี๋ยวชีวิตสบายทีหลังด็เตร์วรธาแก้วคิดแบบนี้แหละนี่แกก็เปิดเผยเองเมื่อตอนที่เป็นมะเร็งเพราะผมไม่นคนหนึ่งแหละที่เลือกเงินผมกลับมาจากเมืองนอกผมก็ตั้งหน้าตั้งตาหางเงินผมทํางานหนักเพราะคิดว่าถ้าได้มีเงินเยอะแล้วผมชีวิตผมจะสบายในภายภาคหน้า ไม่ใช่ชีวิตของคนเดียวครอบครัวด้วยพ่อแม่ด้วยผมก็ทํางานหนักทํางานเรียกว่าไม่ได้พักผ่อนเลยมีครอบครัวแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาให้กับครอบครัวมีลูกก็ไม่ค่อยมีเวลากับลูกก็ทํางานหนักเพราะว่าต้องการที่จะสร้างอนาคตให้แก่ลูกด้วยแล้วก็สร้างไปให้กับพ่อแม่จะต้องเป้าไวทีว่าจะทำงานหนักสักยี่สิบปีนะในยี่สบยี่สิบปีนี้ขอเรื่องเงินด้วยก่อน และหลังจากนั้นก็ค่อยใช้ชีวิตยอย่างที่ต้องการแต่ปกบว่าทำงานหนักมาได้สิบกว่าปีก็เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งก็ทาให้ทำงานได้น้อยลงเงินก็เลยได้มาน้อยลงด้วยเก้าก็เลยได้คิดว่าโอ้เราทำงานหนักเพราะเราเลือกเงินสุดท้ายเราก็ไม่สามารถจะได้เงินมากอย่างที่เราต้องการ และที่แยกกันนั้นก็คือว่าไม่มีโอกาสจะได้ใช้ชีวิตที่คิดว่าทำงานหนักแล้วจะได้ใช้ชีวิตยอย่างสบายจะปรากฏว่าไม่ได้ใช้เพราะว่าความตายมันมาซะก่อนแกก็มีเงินพอสมควรมีเงินเยอะนะมาได้คิดเอาตอนที่ใกล้จะตายหลังจากที่เป็นมะเร็งกันมาสี่ห้าปีนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของคนซึ่งเลือกเงินเรืองเงินได้ก่อนชีวิตเอาไวท้ทีหลังสุดท้าย เงินก็ไม่ได้อย่างที่คิดส่วนที่จะโอกาสที่ได้ใช้ชีวิตอย่างสบายก็ไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคิดว่าทำยังไงถึงจะรวยเนี่ยลองตั้งคําถามใหม่ว่ารวยแล้วไม่ตายนี่มีไหมรวยแล้วนี่ไม่อกหักมีหรือเปล่ารวยนี่แล้วก็ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ป่วยนี่มีไหมรวยแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ผิดหวังไม่ได้หมายความว่าจะไม่ ไม่ประสบกับความล้มเหลวไม่ถูกตําหนิไม่ถูกนินทาเราเรามาตั้งคำถามเสื่อหมายว่าเออทำไงเราถึงจะไม่ทุกข์ทำไงเราถึงจะมีความสุขคนที่สุขทั้งๆ ท, ท, ที่มีเงินน้อยเนี่ยมีนะถ้านึงไปออกก็นึกถึงปู่ย่าตายายของเราพวกเรานี่็ส่วนใหญ่คงมาจากชนบทใช่ไหมปู่ย่าตายายของเราเนี่ยนะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยจนกว่าพวกเราจนกว่าพ่อแม่ของเรา เรียกว่าบาารรพบุรคนไทยเนี่ยต้องเรียกว่าจนกว่าสมัยนี้มากไม่มีตู้เย็นไม่มีรถยนต์นะไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีบ้านหลังใหญ่ๆไม่มีตู้เย็นไม่มีพัดลมไม่มีวิทยุแต่ก็มีความสุขคนสมัยนี้มากคนสมัยนี้นี่รวยกว่าสมัยก่อนแต่มีความทุกข์มากดูจากอะไรดูจากยาจํานวนยาที่ ที่ซื้อกันในเวลานี้คนไทยเวลานี้นี่ยาที่หมอให้ตามโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลของรัฐนะโร ง, งพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดประมาณหนึ่งในสี่ยสิบห้าเปอร์เ็นเนี่ยเป็นยาคลายเครียดนี่ยาอะไรที่เกี่ยวกับการคลายเครียดเนี่ยจะขายดีมากรวมทั้งยานอนหลับด้วย แต่สมัยก่อนเขาไม่ได้เครียดขนาดนั้นเลยทั้งนั้นที่เขาก็มีเงินไม่เยอะจะไปไหนมาไหนก็ต้องเดินเาไม่มีโทรทัศน์ไม่มีเครื่องเล่นซีดีไม่มีวิทยุแต่เขามีความสุขในชีวิตจะลำบากแต่สมัยนี้ชีวิตสบายก็จริงแต่เครียดมันแปลกนะชีวิตสมัยนี้สบายแต่เครียดเรามีเงินเยอะ แต่ไม่มีความสุขนอนไม่หลับและสังเกต น, นะคนที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เป็นคนที่มีฐานะเลียงมากก็ไม่ค่อยยากจนเท่าไหร่แต่ทำไมถึงฆ่าตัวตายกันเพราะความทุกข์ในแต่ที่แทนที่เราจะนึกว่าทำไงถึงจะรวยเนี่ยเราลองตั้งจุดหมายชิดเสีนหมายว่าทำไงฉันถึงจะไม่ทุกข์ทำไงฉันถึงจะมีความสุขแล้วคุณก็จะพบว่า สุขทุกงคนเราเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ว่ารวยหรือไม่รวยไม่ได้อยู่ที่ว่าหล่อสวยหรือไม่หล่อไม่สวยดาราที่สวยประสบความสาเร็จในชีวิตการงานการแสดงแต่ค่าตัวตายก็เยอะดาราเกาหลีบ้างละ่ะยีปุ่นบ้างละ่ะค่าตัวตายมีทุกอย่างแต่ทาไมค่าตัวตายรวยชื่อเสียง เพราะอะไรเพราะไม่มีความสุขเพราะจัดการกับความทุกข์ในใจไม่ได้คนมีเงินเยอะๆแต่ค่าตัวตายนี่เยอะนะเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยมีคนหนึ่งเนี่ยแกถูกหวยแม่ถูกหวยได้ถูกรอตตรีรางวัลที่หนึ่งได้เงินเท่าไหร่ทราบนฮะยี่สิบล้านขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐนะจากพ่อค้าเล่ธรรมดาในการเป็นเศรษฐี เงินล้านเดือนหนึ่งต่อมาถ่ายรัตก็ขึ้นนานหนึ่งว่าเศรษฐี20ล้านกินยาที่ค่าตัวตายเครียดหนักอาตมายังถ่ายรูปถ่ายรัตนานนั้นเอาไว้เลยถ่ายรูปเอาไว้เพราะมันมันชวนให้ปรงทําไมถึงค่าตัวตายเพราะเครียดหนักเครียดเพราะอะไรเพราะว่าพอถูกหวยเนี่ยถูรันที่หนึ่งเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นตามมา ใครก็อยากถูกตตรัตตอรี่แต่เคยนึกไหมว่า ถ, ถ้าถูกแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นตามมาใครต่อใครก็จะมาขอเงินว่าเป็นญาติคนโน้นมาเป็นญาติคุณเป็นพี่น้องคุณแกถูกหัวยี่สบล้านขึ้นไทยรันานหนึ่งเนี่ยโอหใครต่อใครก็มาหาทั้งเพื่อนทั้งญาติญาติของเมียญาติของพ่อญาติของแม่แกก็ให้นะแต่ให้แล้วคนที่ได้รับรู้สึกไม่พอใจเพราะว่าได้น้อยไปโอหได้ตั้งยี่สิบล้านให้ฉันแค่หมื่นเดียว ได้ยี่สิบล้านให้ฉันแค่ห้าหมื่นเองเขาไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเนี่ยก็มาขอเหมือนกันแต่รู้แต่เพียงว่าฉันได้น้อยไปก็เลยขู่ฆ่าโทรมาขู่ฆ่าโทรมาดาเครียดมากน่พ่อค้าเล่แกก็เลยกินยาค่าตัวตายแต่ว่าลูกช่วยไว้ได้ทันนั่งสิพมาสัมภาษณ์แกบอกว่าเนี่ย ตอนเป็นพ่อค้าเล่เนี่ยหาชา้ากินค่ําอะมีความสุขกว่าเป็นไหนไหนไมาได้คิดตอนที่ถูกหวยแล้วเนี่ยจะบอกเลยตอนที่ผมจนกว่ น, นี้เนี่ยหาชา้ากินคำ่ำผมมีความสุขกว่าตอนนี้เยอะเลยรวยแต่ไม่มีความสุขนะจนแต่มีความสุขมากกว่าเจ้าอะไรเนี่ยเราจะเลือกอะไรบ่อยครั้งเลยความรวยกับความสุขนี่มันคนละเส้นทางกัน รวยแต่ไม่สุขแต่บางคนเนี่ยทั้งที่จนแล้วก็เจ็บป่วยด้วยแต่มีความสุขจนแต่มีความสุขนี่มีเยอะนะดูชาวบ้านกันแล้วกันเทียบระหว่างชาวบ้านในชนบทบุรีรัมย์ก็ได้กับคนในกรุงเทพหรือคนในบุรีรัมย์เนี่ยใครมีความสุขมากกว่ากันจะถามว่าใครสบายมากกว่ากันนะใครสบายมากกันเนี่ยคนในเมือง คนในกรุงเทพมันสบายกว่าอยู่แล้วความสุขกับความสบายไม่เหมือนกันนะสบายแต่ไม่สุขนี่มีเยอะสุขแต่ไม่สบายก็เยอะเหมือนกันความสบายนี่ต้องอาศัยเงินแต่ความสุขนี่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินแม้แต่เจ็บป่วยนี่แต่ก็มีความสุขก็มีเนะเคยได้ยิ น, นัาคนที่เขาบอกว่าเขาโชคดีที่เป็นมะเร็งโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะว่าตอนที่ไม่เป็นมะเร็งนี่ก็โอ้ย ชีวิตมีมีความก็เพลินในเพลินในชีวิตเอาแต่ทามาหากินเอาแต่เทีย่ยวเอาแต่เล่นไม่สนใจอะไรเลยแต่พอเป็นมะเร็งเนี่ยทีแรกก็ตกใจกลัวมีความทุกข์แต่ตอนหลังก็ได้คิดว่าความตายมันจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็เลยเข้าหาธรรมะเข้าหาธรรมะพอเข้าหาธรรมะก็ค้นพบความหมายของชีวิต มีเวลาได้อยู่กับตัวเองได้คนพบความสุขภายในมีเวลาได้อยู่ครอบครัวเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาโชคดีที่เป็นมะเร็งโชคดีที่เป็นมะเร็งบางคนก็บอกโชคดีที่ตกงานพราตกงานแล้วเนี่ยได้ได้มีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ได้มีเวลาได้ช่วยเหลือพ่อแม่แล้วก็บางคนก็ได้ค้นพบว่าเออ มาทํามาหากินเองดีกว่าไปเป็นลูกจ้างเขาทีแรกก็น่าจมีความสุขแต่พบว่าตั้งร้านเองประกอบกิจการเองมีความสุขมากกว่าเพราะนั่นนี่เราพวกเราเนี่ยนะก่อนที่จะถามตัวว่าทําไงฉันถึงจะรวยเนี่ยลองนึกให้ดีนะว่าความรวยนี่มันทําให้เรามีความสุขจริงหรือเปล่าชาวบ้านที่ขายที่ได้สิบล้านยี่สิบล้านเนี่ยเขามีความสุขหรือเปล่า หลายคนนี่พอผ่านไปเนี่ยยากจนกว่าเดิมเพราะว่าเงินยีสิบล้านนี้เอาไปเที่ยวหมดบางทีก็เอาไปเล่นเล่นการพ น, นันเที่ยวก่อเล่นสองอย่างพอเงินหมดปกะกวดที่ก็หมดแล้วขายที่ไปแล้วทําหากินอะไรไม่ได้ชีวิตนี่แย่กว่าเกา่าต้องเป็นกรรมกรรับจ้างเนี่ยเราลองตั้งเป้าหมายชีวิตของเรานะให้ดีๆว่าจะเอารวยหรือจะเอาสุข จะเอาเงินหรือจะเอาชีวิตแล้วถ้าคุณเลือกความสุขนะอยากจะแน่ว่าให้ลองกลับมากลับมาให้ความสนใจกับจิตใจของเราเพราะว่าสุขหรือทุกข์นี่มันอยู่ที่ใจนะคุณมีเงินมากแต่ว่าถ้าคุณวางใจไม่เป็นคุณก็ทุกข์แม้คุณจะหล่อคุณจะสวยแต่ถ้าคุณวางใจไม่เป็นคุณก็ทุกข์แล้วคนเราจะวางใจได้ดีเนี่ยก็ต้องอาศัยธรรมะ มีสติรู้ทันไม่ประมาทอย่าประมาทนะั้นในความเป็นหนุนเป็นสาวของเราเนี่ยบางทีเราจะกำลังประมาทอยู่ก็ได้คิดว่าเอออีกไม่นานกว่าจะแก่อีกไม่นานก็ตายบางทีลืมไปด้วยซ้ําว่าจะตายลืมไปด้วยซ้ําว่าจะต้องแก่ชีวิตนี้ก็เอาแต่เที่ยวเอาแต่ เ, เ, เ, เล่นแม้แต่จะศึกษาหาความรู้ก็อาจจะไม่ค่อยได้สนใจด้วยซ้ําอย่าคิดว่าคุณจะได้เที่ยวได้เล่นได้นานนะ เพราะว่าชีวิต น, นี้มันมันไม่แม่อย่าประมาทอย่าประมาหลึอเพลินในกําลังของเราพออายุมาแล้วคุณก็จะรู้ว่าอาจจะนึกเสียดายขึ้นมาพอแก่ตัวโอเราไอ้เวลาที่ตอนที่เรามีกําลังวงชานี้เอาไปใช้ในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเสียเยอะพลังงานกําลังความแข็งแรงของเราเนี้เอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกเสียเยอะเอาไป ใช้ในการสนุกสนานเอาไปใช้ในการเที่ยวเตะทุกตีกันแทนที่จะมาใช้ในการสร้างเนื้อสร้างตัวรวมทั้งในการศึกษาหาความรู้แล้วก็ศึกษาหาธรรมะมาเป็นเครื่องคุ้มกันติดใจแต่ถ้าเราได้สติขึ้นมานะก็ยังไม่สายพระอาจารย์เปรียบคนเราไว้สี่ประเภทนะ ท่นเปลี่ยนมือกับม้าสี่ชนิดชนิดแรนเนี่ยคือม้าซึ่งเพียงแค่เจ้าของเนี่ยถือประตังเนี่ยเพียงแค่มันเห็นเงาประตักที่พื้นเนี่ยรู้จักประตังไหมเราคงรู้จักนะประตังเนี่ยมันเป็นเหล็กแหลมคนที่อยู่ช น, นบนทนี่ก็อาจจะเคยเจอม้าเนี่ยเวลามันเจอเ ง, เ, งเงาประตักที่พื้นเนี่ยแต่เจ้าของถือประตังนี่มันเห็นเงาเนี่ยที่พื้นนี่มันก็รู้แล้วว่าจะจะเลี้ยวไปทางซ้ายหรือทางขวาแต่บางตัวเนี่ยต้องโดนประตักทิ่ม เจ็บถึงจะรู้บางประเภทชนิดที่สามเนี่ยต้องโดนประตักทิ่มไม่ใช่แค่ที่ที่หนังแต่ลึกไปถึงเนื้อถึงจะรู้ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาประเภทที่สี่ต้องโดนประตักทิ่มถึงกระดูกถึงจะรู้เปรียบคนสีประเภทคือว่าคนประเภทแรกเนี่ยพอได้ยินว่ามีคนตายก็เกิดความสลดสังเวชก็สนใจเข้าหาธรรมะ ประเภทที่สองเนี่ยต้องเห็นคนตายต่อหน้าถึงจะได้สติแล้วก็เข้าหาธรรมะประเภทที่สามนี่ต้องให้ญาตมิตรตายเสียก่อนถึงจะสนใจธรรมะประเภทที่สี่นี้ต้องตัวเองต้องใกล้ตายเสียก่อนความตายมาใกล้ตัวเจอกับตัวเสียก่อนเช่นเจ็บป่วยหรือประสบอุติเหตุขึ้นมาเนี่ยถึงสนใจธรรมะประเภทนี้เรียกว่าไม่เห็นลงไม่หลังน้ำตา เราอยากจะเป็นคนแบบไหนประเภทไหนอันนี้จยากจฝากเอาไว้และสิ่งนี้แหละมันจะมีผลต่อการตั้งจุดหมายในชีวิตของเราให้เราลึกถึงความพันผลควรแปลในชีวิตและเราก็จะรู้ว่ามีเงินก็ช่วยอะไรไม่ได้อย่างถึงที่สุดแล้วแตม่มีแต่การฝึกจิตและมีใจเป็นที่พึ่งนั่นแหละ ที่จะทำให้เรามีความสุขปลอดจากความทุกข์ได้ไม่ว่าจะประสบกับความพันผวนป่วนแปรในชีวิตยังไงก็ตาม